ให้หลวงพ่อถามโดยรวมหรือถามทีละคนในข้อสอบข้อสุดท้ายเสนอคืนนี้ว่าในอาการสามทั้งหมดโดยยอ่อเหลือกี่อาการเหลือสี่เลืสองคุณพรรษาฮะถามว่าอาการของสาสองน่ะโดยยอ่อเหลืออาการไม่ได้ถามว่าธาตุเท่าไหร่แบบนี้หลวงพ่อจะยื่นไหมแบบมิกี้ดีไหมขอตอบว่าสี่อย่างพระเจ้าค่ะสี่อย่าง ค, คืออะไรบ้าง ยืนเดินนั่งนอนค่ะยืนเดินนั่งนอนต่อไปเลยต่อส่งไม่ต่ออาการ32มองย่อแล้วเหลือกี่อย่างเหลือกี่อาการ5ค่ะคือยืนเดินนั่งนอนแล้วก็อิริยาบถ ย, ย่อยอิริยาบถ ย, ย่อยเอาสุงต่อตอบคนส่งต่อถูกผิดไม่ได้เอาถูกเอาผิดนะมันไม่ตอบนะคะไม่เข้าใจคําถามฟังอีกครั้งนะ่อาการ32ทั้งหมดนี้เรียกว่าอาการสามสิบสอง แต่ถ้าให้ยอห่อเหลืออาการลหลักเหลือสักเท่าไหร่ที่สัมผัสได้ยากไหมคําถามค่ะยากยากเอาเอาข้ อ, อไม่คืนมาทางนี้เอาต่อจากคนเมื่อกี้แต่บอกว่าหนึ่งเคยแล้วว่างสองก็เคยแง้คิดว่าเหลืออยู่สองค่ะคือยืนกับเดินยืนกับเดินต่อไปเลยไม่รู้คะ่ะไม่เข้าใจคําถามฟังอีกครั้งเดี๋ยวพึ่งส่งเมื่อกี้แล้วสวด อาการสามสี่สองใช่ไหมเจ้าค่ะผมควรเล็บฟันหนังเจ้าค่ะเมื่อรวมอาการหลักๆของซั่งสามสสองเนี่ยสักน้อยลงมาควรจะเหลือสักกี่อาการคงสองอาการมังค่ะก็ยังไม่เข้าใจเจ้าค่ะพระอาจารย์เข้าใจอสงต่อเค่ะสมต่ อ, ตอจะได้รู้พื้นฐานของผู้ปฏิบัติเหลือสามอาการคะ่ะยืนเดินด น, นั่งคะ่ะที่เดินนั่งนอนต่อไปเลยอาการเกิดกระดับค่ะในสองอาการเกิดกระดับหาต่อไปเลย หนาวก็หิวค่ะอะไรนะหนาวแล้วก็หิวค่ะหนาวแล้วก็หิวยืนใกล้แอร์ป่วยเหรอมั้งของของโยมเป็นตึงกับหย่อนนะพระอาจารย์ตึงกับหย่อนสองอาการเออหนูไม่รู้เข้าใจถูกป่ะนะคะยืนยืนเดินง่วงเบื่อไม่พอใจค่ะสี 4, 4่สี่หรือหอาการาประมาณห้าอาการเอ า, เอาสูงต่อเลือยู่สามค่ะยืนเดินแล้วก็นั่งยนั่ง <Okay. S 2> เอาละขอไมค์คืนทนีข้อสอบรู้สึกจะข้อสอบออกยากไปเนาะเอากล่ามานั่งที่เดิมปรากฏว่าที่ประเมินผิดไปเพราะว่ า, านักเรียนเรานึกว่าได้พื้นฐานมา5วันเนี่ยต้องเคลียร์เรื่องนี้แน่นอนแต่ห้าวันยังยังไม่เคลียร์เนาะในนี้ท่านบอกว่าอาการ 3.2 ในร่างกายของเรามีสามิบสอย่างใช่ไหมผมคนเลืยกฟันหนัง ขณะนั่งเนี่ยมีอาการอะไรบ้างยืนมีอาการอะไรบ้างเดินมีอาการอะไรบ้างยืนเดินนั่งนอนมีอาการอะไรเอ่ยคุณวิชัยในช่วงยืนเดินนั่งนอนทั้งหมดเนี่ยในอาการทางกายของเรามีกี่อาการหนักเบาแล้วก็เป็นกลางง่ายๆใช่ไหมแล้วก็มีสามอาการแค่นั้นเองก็บอกว่าในเรืไองต้นแล้วเราคิดมากไปเองมีอาการหนักมีอาการเบามีการเป็นกลางมีอาการ สบายไม่สบายเฉยๆก็พูดมาตลอดเพราะอันนี้คือเราอยู่ในห่วงของกรรมฐานนี้คิดเอาตลอดพอเราอะไรที่ง่ายๆเราเลื่องเข้าไม่ได้อันนี้คืออุปสรรคของการปฏิบัติกรรมฐานเพราะว่าเราไปคิดเอาเมันจิกยากแต่ว่าไปคิดเอาเนี่ยแม้จะบอกไปล้วสิครั้ง20ครั้งก็ยังนึกไม่ออกเพราะไปอยู่ในความคิดนั้นเองให้เข้าใจว่าเรื่องกรรมฐาน ที่เราทำมามันไม่ไปไปไหนมาไหนทุกวันเพราะเราไปคิดเอาตามที่คําสอนข้อมูลมันเยอะเกินไปไหนจะอ่านหนังสือไหนจะฟังซีดีในจะฟังพระอาจารย์ไหนจะฟังบรรยายนูน่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดใช่ไหมพอมารู้จักสภาวธรรมง่ายๆตื้นๆเนี่ยเราเรานึกไปออกอันนี้คืออุปสรรค นี่คือคําตอบว่าทําไมเราจึงปฏิบัติได้ยากแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือศรัทธาเรามักจะยังไม่เกิดปัญญาศรัทธาว่าคนที่สอนดีคนที่สอนไม่ดีคนที่น่าเลื่อมใสคนที่ไม่น่าเลื่อมใสคนที่สอนถูกคนที่สอนผิดคนที่ใช่คนที่ไม่ใช่เนี่ยตัวตรงนี้อีกเหมือนกันที่เป็นอุปสรรคที่มันบล็อกตัวการปฏิบัติของเราเนี่ยนั้นคือจะต้อง เปิดนะเปิดใจแล้วก็ทำใจให้สบายเฉยๆเหมือนเรามาพักผรอนมากินมานอนสบายแต่ว่าได้มารับรู้อะไรบางอย่างที่จตมาในฐานะเป็นกรารยนตมิตรมาเป็นเพื่อนคุยด้วยเพื่อนเพื่อนชนคุยไม่ใช่มาใฐานะพระอาจารย์ในฐานะมาเป็นเพื่อนชุนคุยที่เรื่องที่เราต้องการจะมาฟังเท่านั้นเอง ถ้าคิดว่าดัชนะเป็นพระอาจารย์อมาอย่างเป็นไม่ได้แต่เป็นกิริยนานมิตรได้นะคือฟังแล้วก็ไม่ให้เชื่อว่าสิ่งที่นําเสนอเนี่ยใช่หรือไม่ใช่เท่านั้นเองเพราะทุกคนนี่ยมีสติปัญญาเป็ของตัวเองเรียบร้อยแล้วแต่ที่นี่มันมันยังไม่ชัดว่าสติปัญญาที่เราเข้าใจเนี่ยมันใช่ในสิ่งที่เราควรจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจตรงนั้นเองนะดังนั้นอันนี้คือการตรวจสอบในวันนี้ ในการที่เราจะอยู่กันด้วยกันต่อไปอีกสามสี่วันเนี่ยต้องรู้พื้นฐานตรงนี้ชัดเจนว่าเราควรจะพากันไปอย่างไรนะก็คิดว่าน่าจะพอจะรู้แนวว่าอีกสองสามวันข้างหน้าเนี่ยเราจะปฏิบัติกันอย่างไรอันนี้เป็นการทดสอบพื้นฐานในวันนี้เท่านั้นนะเรื่องธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนที่ลึกกว่านั้นที่จะมาทาพูดกันเล่นๆไม่ได้เป็นการไม่ไม่เหมาะ จะพูดกันเรื่องจริงเรื่องที่ขณะที่เราต้องมาทำพวกเราก็จะเสียสละวันมานั่งกันตรงนี้เนี่ยแต่และคนมีงานทำมีภารกิจเยอะแยะมากมายเตื่งรับผิดชอบไม่ว่าครอบครัวรายได้หนี้สินและปัญหาเศรษฐกิจต่างๆแต่โยมเข้ามานั่งที่ได้โดยที่ไม่ใช่ธรรมดาเพราะนั้นมาเห็นคุณค่าและเวลาของโยมที่สละมาเพราะนั้นสิ่งใดที่ได้นากล่าว ได้นำไปเนี่ยสิ่งไหนไม่ใช่ความจริงทําให้เสียเวลาก็จะไม่ไม่นำสิ่งนั้นมาพูดเพราะเวลาของเรามีค่าดังนั้นเองก็ในช่วงที่เรียนปฏิบัติด้วยกันอย่าไปซีเรียสอย่าไปเครียดอย่าไปจริงจังทำให้สบายเรามาสแสวงหาความสุขความสบายไม่ใช่มาสแสวงหาความทุกข์เราก็ต้องสร้างเหตุให้มันสอดคล้องกับผลที่เราต้องการนิพพานังปรมังสุ ข, ขังนิพพานเป็นสุขยอดของสุขเหนือสุขเราจะทำไงให้มัน เริ่มต้นเนี่ยให้มันสอดคล้องกับเบื้องปลายเบื้องปลายต้องการความสุขสูงสุดเบื้องต้นเราต้องได้สัมผัสความสุขที่แท้จริงแม้จะเล็กๆ ก, ก็ตามแต่ขอให้เป็นของจริงแล้วมันค่อยๆตายไปตายไปตาไปถ้าเราต้องการสุขสูงสุดแต่เราทรมานเกือบตายเนี่ยเหตุผลไม่สมกันอ่ะมันไม่ไม่ใช่เราจะทําผ่อนคลายสบายแต่มีปัญญานั่นคือวิธีการวิปัสสนาเข้าใจแล้วมันจะสบาย แล้วทำยังไงก็ได้ต่อไปวิปัสสนาง่ายสบายทำที่ไหนก็ได้แต่มีวิในในตัวนะมีระเบียบในตัวเพราะนั้นระเบียบวิในไม่ใช่เพื่อที่จะอยู่ในกฎเกณฑ์ที่ผู้จัดต้องการแต่เพื่อเอื้อต่อการสแสวงหาสัจจะขั้นละเอียดอ่อนให้ชัดเจนขึ้นเหมือนเราถือเทียนไขผ่านที่ลมแรงเราพยายามปกป้องทุกอย่างไม่ใช่เพื่อที่จะให้อ เทีนยนไขมันสวยงามแต่ป้องกันไม่ให้เทีนยนไขมันดับ ก, ก่อนที่ไปถึงเป้าหมายเท่านั้นเองดังนั้นเองก็พวกเราอาจจะไม่คุ้นกับสไตล์นี้แต่ให้เปิดใจรับว่าได้พิสูจน์มายาวนานว่ามันเป็นสไตล์ที่เป็นปัจจุบันนะแล้วก็หลังจากเอามารู้เรื่องนี้มาเอามาก็ไม่มีเรื่องที่จะทุบร้อนแต่จะทํายังไงให้เพื่อนมนุษย์ของเราเกิดแก่เจ็บตายมาแล้วก็ตายไปโดยที่ไม่รู้อะไรเนี่ย เสียดายเสียดายชีวิตเพราะว่าสภาวะของชีวิตของมนุษย์เนี่ยเป็นสภาวะที่สูงกว่าสัตว์ทั้งหลายถ้าเกิดมาผ่านมาชาติหนึ่งโดยที่ไม่ได้อะไรเป็นเรื่องเวลาวกลับไปเนี่ยแถมไปตกนรกอีกต่างหากมันไม่คุ้มกันเราจะทำอย่างไรถึงแม้ว่ายังไม่มีวาสนาบรารมีที่จะทำเวลาอาสวะกิเลสให้หมดในชาตินี้จะต้องเวียนว่ายใเกิดก็ให้มันไปเกิดในทางที่สุขที่สบาย ให้สั่งสมไว้แต่คนไหนบางคนมีสติปัญญามีบุญบรารมีสั่งสมมาเพียงพอแล้วก็สามารถทําให้ทุกมันสิ้นได้กิเลสอาสะวะได้สิ้นในชาตินี้ก็ขอให้ทําเท่านั้นเองเป้าหมายเพราะกันเกิดมันไม่ใช่เป็นเรื่องสนุกนะเป็นเรื่องที่ทุกขทรมานเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดอีกก็ไปเกิดเป็นอะไรแต่เรารู้แน่ๆว่าเกิดมาชาติเนี้เรามีโอกาสได้มาเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนาได้ทําวิปัสสนานี i ก็ หรือว่ายอดแล้วแต่ว่าแค่นี้ยังไม่พอให้มันจบนะให้ทุกมันจบไม่ต้องไปทุกอีกนะชีวิตนี้มันมันมันสั้นไม่รู้ว่าเราจะเจ็บวันไหนป่วยวันไหนไม่เท่าแค่ตายแค่ป่วย ก, ก็ทำไม่ได้แล้วนะทำยากแล้วนะดังนั้นเอามาก็ก็เห็นคุณค่านะเห็นคุณค่าของเวลาที่เราสละมาเห็นคุณค่าของชีวิตที่เราเป็นเจ้าของอยู่ ว่าเป็นสิ่งสูงสุดดีกว่านะสัมภัสสัทั้งหลายเรามีวิพัฒนาการมากกว่าจะมาเป็นคนได้สมบูรณ์มีอาการครบ32อย่างนี้ไม่รู้ผ่านวิพัฒนาการแห่งความเป็นสัตว์ต่างๆมาไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนชาติแล้วลนั้นเองก็ถือว่าโชคดีที่เราได้มีโอกาสได้พบกันวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจที่เราจะทำต่อไปในวันนี้และวันต่อไป และทําจนกระทั่งเราได้สติปัญญาสมบูรณ์สามารถตัดรากเง่าของกิเลสตัณหาอุปาทานด้วยการทุกคนทุกท่านถือสาธุ